บทที่41คนอยู่ข้างหลังคนตายคือพวกที่ออกจากเกมแห่งความไม่รู้ก่อนพวกที่เหลือบนโลกและไปพร้อมกับความไม่รู้ว่าตนได้ทิ้งความยุ่งยากลําบากใจให้กับคนอยู่ข้างหลังมากมายเพียงใดโดยเฉพาะเมื่อยังมีความสัมพันธ์โยงใหญ่ซับซ้อนตกค้างอยู่ในหมู่สังคมมนุษย์ที่แรกนะักข่าวอาชญากรรมซึ่งเปิดวิทยุสื่อสารของตํารวจฟังเหตุการณ์อยู่ตลอด ต่างก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับเหตุจริงเงินตายสักเท่าไรแต่เมื่อทราบเนื้อหาเรื่องราวโดยเฉพาะวีรกรรมของสิบตำรวจโทหนุ่มซึ่งมาช่วยหญิงสาวให้รอดพ้นจากการถูกอุ้มไปขายได้ทันท่วงทีโดยไม่ได้ตระเตรียมไว้ล่วงหน้านักข่าวจึงแห่กันมาทำข่าวกันเป็นที่โกลาหลเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ใครเคยได้ยินมาก่อนและคาดหมายได้ว่าต้องอยู่ในความสนใจของคนทั้งหลาย ที่ชอบปาฏิหาริย์ชอบความบังเอิญที่ดูเหลือเชื่อว่าอาจเกิดขึ้นได้จริงเมื่อเกิดเหตุดีร้ายหนึ่งหนึ่งขึ้นการที่บุคคลในเหตุการณ์จะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวนั้นล้วนมีกรรมเก่าเป็นเครื่องชี้หลายคนประสบเหตุเหมือนๆกันแล้วเงียบฉี่แตว่าอีกคนกลับดังเปรี้ยงประางขึ้นมาเพียงสื่อมวลชนรายงานข้อมูลนิดหน่อย บุคคลในข่าวก็ตกอยู่ในความสนใจของคนทั้งประเทศทันทีถ้าหากเคยเป็นผู้ส่อเสดินทาหรือใส่ร้ายคนอื่นต่อสาธารณชนวันหนึ่งเมื่อพลาดพลั้งทาบาปหรือแม้เพียงเกี่ยวข้องกับวงจรบาปเพียงเล็กน้อยความชั่วก็จะปรากฏฟุ้งกระจายไปเป็นที่โจดจันทร์ควรแก่การอัปยศอย่างใหญ่หลวงแต่ตรงข้ามหากเคยเป็นผู้นิยมสรเสริญกิติคุณของบุคคลผู้น่ายกย่อง ให้เป็นที่ปรากฏพแพร่หลายวันหนึ่งเมื่อทำหน้าที่ตามปกติชื่อเสียงกิติยศก็อาจหล่นใส่ได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างน่าชื่นใจโดยไม่ได้คาดหมายให้เป็นไปเช่นกันข่าวอาชญากรรมทางโทรทัศน์ภาคค่ำประเดิมก่อนแล้วตามด้วยข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยเกือบทุกฉบับในเช้าวันรุ่งขึ้นหลายฉบับพาดหัวข่าวด้วยการเก่งของบอกอว่า ถ้ายิงคําดีๆอาจมีรุ่นยอดพุ่งดังเช่นที่เห็นในฉบับหนึ่งคือเด็ดหัวพ่อค้ากามปาฏิหาริย์ส่งผลแม่นปืนยื่นมือช่วยสาวสวยชิวเฉียดรายละเอียดในหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเปิดเผยชื่อและนามสกุลจริงของบุคคลในข่าวทั้งหมดยกเว้นเหยื่อสาวเพียงคนเดียวที่ลงเพียงนามสมมติแต่ก็ประกอบรูปครึ่งตัวแบบค่าตาบางๆ เพราะเหยื่อที่มีรูปร่างหน้าตาดีเป็นจุดเด่นดึงดูดความสนใจประชาชนได้ง่ายนอกจากนั้นก็มีรูปหน้าเต็มขนาดเล็กของสิบตํารวจโทรเรืองยศมาประทับเด่นเนื่องจากเป็นมือพิฆาตที่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับส่งตัวมาช่วยเหลือเหยื่อสาวในเวลาคับขันสุดยอดโดยเฉพาะถือเป็นประเด็นข่าวชนิดหนึ่งในล้านซึ่งคาดว่าทุกคนคงอยากเห็นหน้าฆาตายิ่งกว่าเหยื่อสาวและพ่อค้ามนุษย์ทั้งหมดด้วยซ้ํา และอองฝนรับประทานข้าวเช้าร่วมกับที่บ้านตามปกติและเป็นคนถือครองหนังสือพิมพ์ซึ่งพาดหัวข่าวดึงดูดใจพอควรหลอนเหลือบลงมาดูรูปประกอบทีแรกก็มองผ่านๆอย่างจะดูสไนเปอร์เสียหน่อยว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแต่พอเห็นรูปร่างและโครงหน้าของหญิงผู้เกือบตกไปอยู่ในมือพ่อค้ามนุษย์ก็สะดุดตาเกิดความเอกใจ เพราะมองเผินแวบเดียวก็พบว่าละไมกับอเวราหน้าสาวของตนเป็นอย่างยิ่งแถมเครื่องแต่งกายก็คุ้นว่าเคยเห็นสมใส่ตอนมาบ้านหล่อนเสียด้วยการหายตัวไปในวันแรกของอเวรายังไม่ทําให้ใครรู้สึกผิดสังเกตเนื่องจากช่วงหลังอเวราแยกออกมาอยู่ข้างนอกตามลำพังกระทั่งวันที่สองของการขาดงานติดกันโดยไม่มีการลาเพื่อนร่วมงานจึงโทรถามที่บ้านหลอนตามเบอร์ ในแฟ้มข้อมูลบุคคลนั่นเองความโกลาหลจึงเกิดขึ้นทุกคนเริ่มตกใจเมื่อไม่สามารถติดต่อเอาเวลาด้วยวิธีใดๆแม้จะไถ่าถามญาติมิตรเท่าที่รู้จักกันกี่คนก็ตามละองฝนกับพริบตาปริบๆเพ่งจ้องรูปพันธ์สันฐานของเหยื่อสาวในรูปอย่างพินิจพิจารณาเพราะบ้านหล่อนเพิ่งนั่งนอนร้อนใจอยู่ไม่เป็นสุขกันเมื่อคืนนิยย ก, กับทั้งช่วยไปแจ้งความขนหาย เนื่องจากสืบถามกันทั่วแล้วปรากฏว่าแม่ของหลนนั่นเองคือรายสุดท้ายที่ได้รับการติดต่อจากคนหายและยืนยันได้ว่าคนหายอยู่ระหว่างทางกลับบ้านตามปกติเนื่องจากฝ่ายนั้นเพิ่งแสดงความจำนงว่าจะมาร่วมรับประทานอาหารเย็นกันไม่ใช่คิดออกนอกเส้นทางหรือถลายไปไหนไกลความอยากรู้รายละเอียดทําให้เราองฝนตัดสินใจอ่านเนื้อข่าวก่อนกระโตกกระตากแต่พออ่านมาถึงรายงาน ชื่อพร้อมนามสกุลของหนึ่งในผู้ตายคือนายพฤหัสเจนทีราการเด็กสาวก็เผลอร้องกรีตดออกมาลั่นโต๊ะทานข้าวยังผลให้ทุกคนในที่นั้นสะดุ้งเฮือกกันทั่วหน้านัชเลซึ่งอยู่ใกล้ตัวสะบัดหน้าขวับเห็นพี่สาวตกตะลึงหน้าซีดเผือดก็ทราบทันทีว่าต้องมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นมีอะไรหรือฝนชะโงกหน้าไปอ่านจุดที่เห็นว่าสายตาของละองฝนเพ่งค้างอยู่ แต่อเผอิญหล่อนรู้จักและจดจําพระฤหัสได้เพียงชื่อต่อยจึงไม่ทราบว่านายพฤหัสเจนธีราการและรายนามอื่นๆมีความหมายอย่างไรพอละองฝนตอบด้วยเสียงสะอึกสะอื้นกับอาการเพ่งแล้วเพ่งอีกไปที่จุดเดิมเหมือนไม่อยากเชื่อไม่อ่านเข้าใจสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาณเลก็โอบไหลถามด้วยน้ำเสียงปลอบประโลมเพื่อนฝนเหรอ ละอองฝนคืนสติจากสภาพช็อกเอานิ้วชี้จิ้มชื่อพฤหัสเอ่ยด้วยน้ำเสียงเครือสัน่นนี่ต่อยงแม่นัชเลไม่รู้สึกถูกชะตากับเพื่อนของจองเลิกนักฟังแล้วยังอดตกใจไม่ได้ฮะใช่เหรอละอองฝนเม้มปากพยักหน้าซึ่งนัชเลก็เชื่อว่าน่าจะจริงโดยสันนิษฐานว่าคนกำลังรักกาลังลุ่มหลงกันอยู่ คงไม่จดจําชื่อนามสกุลคลาดเคลื่อนง่ายๆปณิธานกับรสรินทําหน้างงๆเพราะไม่รู้จักคนมาจีบลูกสาวรายล่าสุดแม้ปณิธานจะเพิ่งพบหน้าครั้งหนึ่งที่สนามแบดมินตันก็ไม่ทราบว่าฝ่ายนั้นชื่อเสียงเรียงไรดอสมาติดต่อกับลูกสาวคนโตตั้งแต่เมื่อไหร่ต่อยไหนรสรินเป็นฝ่ายเอ่ยถาม โดยเลงจะเอาคําตอบจากน้ำะเลมากกว่าละอองฝนซึ่งอยู่ในสภาพไม่พร้อมขยายอะไรให้ฟังเพื่อนของเลิกนะคะตอบแบบไม่ทานคิดแล้วเกือบกัดลิ้นตนเองเพราะยังไม่ทราบเลยว่าข่าวการตายของเพื่อหัดเกี่ยวข้องกับคดีร้ายแรงปานใดพอบอกไปเสียแล้วว่าเป็นเพื่อนของจองเลิกประเดี๋ยวแม่คงไม่ไว้ใจแฟนหล่อนขึ้นมาอีกเพราะแม่จะถือคติคบปู่คลเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้น ละอองฝนขมสะอื้นพยายามตั้งสติอ่านเนื้อข่าวต่อจนจบแบบคร่าวๆ ร, รู้สึกวงวงๆเหมือนจะเป็นลมจากนั้นจึงพลิกหนังสือพิมพ์กลับไปหน้าหนึ่งและถามนัชเลเสียงแผ่ววิวสายว่านี่คล้ายใครนัชเลพิทดูครู่เดียวก็อุทานดังๆอุ้ยนี่มันหน้าเคกนี่หน่วยตาของโรสรินเบิกกว้างเรียกหนังสือพิมพ์จากลูกๆทันทีไหนเอามานี่สิ นังสือพิมพ์ถูกเลื่อนส่งไปอีกฝั่งหนึ่งนัชเลเดินตามไปขอดูจากเบื้องหลังฝ่ายรสรินเมื่อเห็นรูปของเอเวราก็จำได้ทันทีแม้มีแถบฆ่าตากับทั้งมั่นใจว่าใช่เพราะปฏิติประต่อจากความจำที่เอเวราปรึกษาเกี่ยวกับนายคนชื่อต่อยบ่อยๆส อ, อดคล้องกับที่ลูกสาวเพิ่งเอ่ยถึงเมื่อครู่พอพริกหน้าอ่านข่าวจบแบบคร่าวๆก็ไม่รอช้าคุณแม่ลูกสาวสองสละเก้าอี้ ลุกขึ้นเดินไปคว้ากระบอกโทรศัพท์ขึ้นกดเบอร์ถึงผู้เป็นน้องทันทีโดยเลือกต่อเข้ามือถือก่อนแต่เครื่องไม่เปิดอาจโดนจับตัวไปหลายวันเลยแบตหมดและยังไม่มีกระจิตกระใจชาร์ตโรสลินเลยเสียงโทรเข้าเครื่องที่บ้านพ่อแม่อเวราเป็นอันดับต่อไปสวัสดีครับอาสพัสเหรอคะนี่น้องพูดคะ่สะสพัทคือบิดาของอเวราเป็นน้องชายของพ่อหล่อนว่าไงน้อง จะตามเรื่องยายเค้กใช่ไหมเขาโทรมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วละ่ะตกลงไม่ได้หายไปไหนหรอกรายงานทันทีด้วยทราบว่าอีกฝ่ายเป็นห่วงเพียงใดไม่ต้องเป็นห่วงนะอาว่าจะโทรบอกน้องอยู่เหมือนกันแต่เห็นดึกแล้วเมื่อคือนยายเค้กไปงานศพใครหรื อ, อยังไงนี่แหละเลยไม่กลับบ้านนอนค้างที่ห้องของเขาอาสั่งให้โทรหานองด้วยได้โทรหรือเปล่าเปล่าคะ่ะสงสัยคงเหนื่อยนะ่ะไม่เป็นไร เฮ้อโล่งอกไปทีว่าแต่อาศพัฒอ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือยังคะข่าวอะไรรสรินเห็นว่าถ้าฝ่ายนั้นไม่ทราบเองหล่อนก็ไม่จำเป็นต้องเล่าให้ทราบเพื่อความกลัดกลุ้มเปล่าอีกประการหนึ่งหล่อนก็ยังรู้เรื่องราวน้อยนักฉะนั้นนโยบายเงียบไว้ก่อนน่าจะเหมาะสมที่สุดเดี๋ยวนองโทรไปที่ห้องเขาเองมีเบอร์หรือเปล่ามีค่ะขอบคุณนะคะอาสวัสดีค่ะไม่เป็นไรสวัสดี กดปุ่มตัดสายแล้วต่อโทรศัพท์ถึงห้องน้องสาวทันทีสวัสดีค่ะพอได้ยินเสียงอเวรารสรินก็ปริยิ้มปรีดาเพิ่งรู้ตัวว่ารักผู้เป็นน้องมากมายเพียงใดเ ค, ค้กหายไปไหนมาฮื้ออเวรากำลังงวงเงียเพราะเพิ่งเตื่นจากฝันวกวนพอได้ยินน้ำเสียงห่วงใ ย, ยอาธรของพี่สาวก็ถึงกับเงียบอึ้งไปด้วยความตื้นตันพี่น้อง คิดหาคำพูดอยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ยขอบคุณที่เป็นห่วงคะ่ะเค้กไม่ได้ไปไหนไกลหรอกรูปในข่าวน่ะเธอใช่ไหมหญิงสาวผู้เกือบตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ากามข้ามชาติเงียบไปอีกครู่รู้ดีว่าพี่สาวพูดถึงอะไรเพราะฝูงนักข่าวในโรงพักเมื่อวานทำให้เดาได้ไม่ยากเขาลงข่าวยังไงคะก็ที่เธอโดนลักตัวจะเอาไปขายนะ่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะเขาลงแค่นามสมมติ แล้วรูปก็มีแถบคาดตามองไม่ออกหรอกว่าเป็นเค้กท่าทางยังไม่มีใครรู้หรอกยกเว้นแต่จะมีร่องรอยให้ประติดประต่ออย่างเช่นเธอหายตัวไปเฉยๆคนที่ทํางานเห็นข่าวคงเดาถูกเอาเวลาระบายลมหายใจยาวเค้กปลอดภัยดีค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรเรื่องทุกอย่างจบแล้วเธอจะไปทํางานหรือเปล่าวันนี้กับพรุ่งนี้คงอยู่ที่ห้องค่ะไม่มีกระจิกกระใจออกไปไหนไหวหรอก งั้นเย็นๆพี่แวะไปหานะเย็นนั่นเองโรสลินเข้าเยี่ยมน้องสาวถึงห้องโดยพาณเชลในชุดนักเรียนไปด้วยเพราะคาดหมายว่าลูกสาวสดิทสนมคุ้นเคยพอจะช่วยกันให้กำลังใจได้สองแม่ลูกนัดแนกกันเป็นอย่างดีว่าจะไม่แย้มพลายให้อเวรารู้เรื่องพฤหัสมาจีบละอองฝนเป็นอันขาดเพื่อไม่เป็นการซ้ำเติมอเวราให้ต้องกระดากใจหนักกว่าเก่า สภาพของเอเวราไม่ได้ย่ำแย่อกไหม้ไส้ขมหรือเอาแต่นอนปรอมตรมดังที่รสรินวิตกอย่างน้อยก็มาเปิดประตูรับแขกได้ตามปกติแม้รอยยิ้มยังติดเซียวหมนอยู่บ้างก็ไม่เข้าขั้นซึมเศร้าหรือขวัญเสียให้ต้องปลอบโยนมากมายเอาเวราผายมือให้ผู้มาเยือนทั้งสองนั่งเตียงส่วนตัวเองลากเก้าอี้จากโต๊ะเครื่องแป้งวานั่งขอบคุณอีกครั้งที่เป็นห่วงนะคะพี่น้อง แต่วันนี้เค้กทำใจได้แล้วละ่ะเอ่ยคําแรกเพื่อออกตัวทันใดเพราะคิดว่าพี่สาวและหลานสาวมาเยี่ยมเพื่อปลอบขวัญเอาเวลาแค่อยากให้ทั้งสองเห็นว่าหล่อนชนะทุกได้เร็วคู่ควรกับการได้ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมะอยู่ในตนจริงๆไม่ใช่แค่รู้ธรรมะไว้บอกว่ารู้ธรรมะแต่ชนะความโลภโกรธหลงไม่ได้สักอย่างเก่งนะคะ ถ้าเป็นทรายคงยังยิ้มไม่ออกเหมือนหน้าแคกรอกนกชเลให้กำลังใจลูกศิษย์จะเก่งกว่าคุณครูได้ไงรู้ไว้เถอะว่าหน้ารอดมาได้ก็เพราะซึมซับหลายสิ่งหลายอย่างมาจากทายนี่แหละผู้เป็นหลานทำหน้าเหมือนรับรู้เฉยๆว่าหน้าสาวถ่อมตัวแถมยกคุณงามความดีให้คนอื่นซึ่งเป็นวิสัยปกติของผู้เริ่มมีธรรมะไหลเวียนอยู่ในสายเลือด แต่เอาเวลายืนกรานคำเดิมเพื่อให้สองแม่ลูกเชื่อว่าหล่อนหมายความตามนั้นในเวลาขับขันหน้าขับแค้นใจอย่างที่สุดมีบางสิ่งส ก, กิดให้นะ้าคิดถึงสายสายตาสายตอนมองนะ้าในคืนที่เจ้าอุ้ยโหยโดนนะ้าขับรถทับหนะ้าทำให้นึกขึ้นได้ว่าควรมองคนที่ทำให้เราเจ็บปวดด้วยสายตาแบบไหนตอนนั้นนะ้ารู้สึกเป็นอิสระจากความโกรธความเกลียดและความกลัว เหมือนออกมายืนในที่สว่างอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยทั้งรสรินและนชเลยังงงงงเพราะฟังเอเวราเล่าแบบไม่มีต้นไม่มีปลายเธอเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมเอเวราพยักหน้ายิ้มเต็มใจตั้งต้นเล่าทุกสิ่งอย่างละเอียดนับแต่เมื่อโดนพระฤหัสดดักขึ้นรถในเย็นวันจันทร์และพาไปสู่เรื่องราวบัตรซบทั้งปวงในเวลาต่อมา กระทั่งจวนเจียนจะถูกส่งมอบตัวให้เครือข่ายข้ามชาติหล่อนก็ยังคงพูดดียืนยันให้ภัยเวรระหว่างตนกับเพื่อหัดเป็นอโหสิเขาจิงกลับใจสำนึกเสียได้ระหว่างเล่านั้นอเวราทำตาแดงๆบ้างแต่ก็ยังคงมีสติดีไม่หลุดออกมาเกินหนึ่งสะอื้นสักครั้งหล่อนลงลึกไปถึงความรู้สึกนึกคิดเป็นขณะขณะ ข, ณะของตนเอง โดยเฉพาะเมื่อขับรถหนีตามคำสั่งของพฤหัสแล้วเห็นในกระจกมองหลังว่าเขาถูกยิงลงไปนอนหลอนพรอยรู้สึกเหมือนถูกยิงตายตามไปด้วยน้ำใจคิดสละเพื่อหลอนได้แม้ด้วยชีวิตของเขากลายเป็นอำนาจบีบคั้นให้ไม่อาจทนหนีเอาตัวรอดตามลำพังต้องย้อนรถกลับมาอย่างลืมกลัวกระทั่งความตายที่อาจรออยู่การรอดพ้นเงื้อมือทรชนได้ด้วยปาฏิหารินั้น เอาเวลาสารภาพว่าเป็นช่วงที่กำลังคุมสติไม่อยู่ไม่ค่อยรู้ตัวนักว่าทำอะไรลงไปลืมกระทั่งเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้นบ้างคล้ายภาพฝันตัดไปตัดมามีขึ้นมีลงมีสว่างมีมืดรู้ตัวครั้งสุดท้ายก็ตอนโดนรวบตัวขึ้นรถได้ยินเสียงปืนจากเบื้องไกลแล้วหล่อนก็เป็นอิสระเล่ามาถึงตอนจบที่ให้การกับตารวจ พยายามใช้คำพูดปกป้องพฤหัสผู้ล่วงลับว่าเป็นเพียงเด็กหนุ่มถูกตะล่อมหลอกมาใช้งานเป็นครั้งแรกไม่เคยทำมาก่อนกับทั้งไม่ได้มีสันดานหยาบช้าสามานเกินแก้เห็นได้จากที่สามารถกลับตัวกลับใจในนาทีสุดท้ายพอถึงตรงนี้รสรินก็ให้ความเห็นเสริมว่าคนเราเริ่มทำเร็วที่สุดได้ก็ตอนเห็นคนอื่นไม่ใช่คนแต่เล็วแค่ไหนก็กลับใจใหม่ได้ ตราบเท่าที่ยังมีตัวตนเป็นคนอยู่และรู้จักคิดอ่านพอจะสำนึกว่าสิ่งที่ทำลงไปน่าละอายขนาดไหนต่อยมีวาสนาแล้วที่คนสุดท้ายในชีวิตเขามีความดีงามพอจะบันดานให้เกิดสำนึกแบบมนุษย์อีกครั้งไม่ใช่ว่าเค้กเป็นคนดีหรอกคะ่ะต่อยังถามเลยว่าเป็นตัวจริงของเค้กแน่เหรอที่ไม่ถือกรดเขาเค้กตอบว่าเปล่า เค้กเป็นแค่ร่างทรงของนางเอกท่อเสียงอ่อนโดยไม่ได้แ้งถมในตาเป็นประกายแพรวขณะมองนชเลรู้ไหมตอนนั้นใจนาะหมายถึงสายนะนชเลอึกอักบังเกิดความสะดุ้งไหวด้วยความละอายอยู่ภายในเพราะระหว่างฟังน้าสาวเล่าเรื่องราวต่างๆอย่างละเอียดทุกขั้นตอนนั้นลอนโกรธแค้นแน่นอกแทนอเวราอย่างเกินจะหักห้าม กับทั้งประมาณใจตัวเองถูกว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์เดียวกับอเวราคงไม่มีทางชนะใจอีกฝ่ายด้วยน้ำจิตคิดอโหสิเป็นแน่ความโกรธอาจเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจแต่การอภัยไม่มีทางเกิดขึ้นโดยบังเอิญอย่างน้อยต้องมีสิ่งสกิดใจหรือมีใจเปียมเมตตาเป็นทุนอยู่ก่อนและถึงนาทีนี้นชเลก็เกิดความนับถืออเวราอย่างล้นพ้น ใจแผ่กว้างเป็นมหากูุสลเพราะร่วมยินดีในชัยชนะอันเหนือชัยชนะทั้งปวงของผู้เป็นนาขนาดยกมือไหว้ด้วยความรู้สึกอันล้ำลึกหน้าเค้กทำให้ทายทราบซึ่งจริ ง, รงๆว่าคนเรามีธรรมะแค่ไหนคงเห็นได้ยากตอนเป็นสุขแต่จะเห็นได้ชัดก็ตอนเป็นทุกข์หรือตกที่นั่งลำบากนี่เองอภัยทานของหน้าเค้กมีอนุภาพเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งรวมทั้ง เป็นแรงบันดาลใจอย่างใหญ่ให้สายด้วยสายกลับอนุโมทนาคะ่ะสารภาพตามตรงว่าถ้าเจอกับตัวสายคงดีไม่ได้เท่าครึ่งของน้าหรอกผู้เป็นน้ายิ้มเจิดเจิดด้วยความเคริรเขินเพราะเข้าใจว่าล้านสาวถ่อมตัวสายเป็นคนมีบุญยังไงก็ไม่มีภัยที่ไหนกล้ากลายได้เหมือนคนบาปอย่างน้าหรอกพี่ว่าบาปของเธอล้างหมดก็คราวนี้แล้วมั้ง เมื่อกี้เห็นเธอทีแรกก็ร่ำร่จะทักนะดูเป็นอิสระเบาตัวแล้วก็พ้นมนทินหมดจดจริงๆเหรอคะเอาเวลาทำเสียงปิติและถือว่านั่นคือคำพยากรณ์อันเป็นมงคลถท่าที่เ ค, ค้กบอกตัวเองได้คือถ้าเ ค, ค้กกับเขามาจับคู่กันใหม่ก็แน่ใจว่าจะไม่เป็นไปเพื่อการก่อเวรอีกแล้วและตอนนี้เ ค, ค้กก็รู้สึกดีกับเขามากด้วยนั่นแหละ เค้กไม่ได้ช่วยแค่ตัวเค้กเองความดีของเค้กยังขยายผลไปถึงเขาถ้าเชื่อว่าการทําร้ายกันในชาตินี้คือผลมาจากการผูกเวรของเขาในอดีตเขาก็เป็นอิสระจากอดีตกรรมแล้วนัชเลพยักหน้าและเออยตามที่กําลังคิดฟังเรื่องของนาเค้กแล้วสายเห็นโทษของการผูกเวรชัดเจนเลยค่ะเวรที่แต่ละคนถือไว้หนี้ไม่ใช่แค่แปรเป็นอาวุธทิ่มแทงให้ศัตรูเดือดร้อนเท่านั้น แต่ตัวเองก็จะย่อยยับอับปางไปด้วยเหมือนอย่างในคนนี้ที่วิธีแห่งการจองเวรก็ได้ซัดพาเขาเข้าไปมั่วสมกับพวกค้ามนุษย์มหาอัปมงคลขนานแท้เลยอาชีพแบบนี้ทุกความคิดทุกคำพูดทุกการกระทาคงเป็นอกูสนล้ว น, นเหมือนอาบบาปต่างน้ำก็ว่าได้รสรินเห็นดวงตาของอเวราเศร้าลงถนัดก็ปลอบนี่ยางดีที่เขาก่อกรรมไม่ลุล่วง เต็มรอยกับทั้งละบาปเสียได้ก่อนตายไม่งั้นคงลงนรกเอาเวลาเงยหน้าขึ้นอย่างมีความหวังแปลว่าที่ต่อยสละชีวิตอย่างนี้อย่างน้อยเขาคงไปเกิดใหม่เป็นคนใช่ไหมคะน่าจะอย่างนั้นมั้งกรรมที่ทำใกล้ตายมีผลต่อการกาหนดคติเบื้องหน้าได้มากโขตำรา ว, ว่าเนื้อกว่ากรรมที่ทำทาเป็นประจาระหว่างมีชีวิตปกติเสียอีกรศสรินก็เหมือนคนทั่วไปที่ขาด จูตูปาตะยานหรือยานอย่างรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ที่เป็นไปตามกรรมด้วยเพราะจิตขาดความตั้งมั่นผ่องแพ้วเพียงพอแก่การนำมาน้อมกำหนดรู้ดังนั้นจึงให้มีได้เพียงคำสนิทฐานว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ไม่อาจพยากรณ์จากความรู้แจ้งเห็นจริงว่าเพื่อหัดไปสู่ความเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไปสู่ความเป็นอย่างนั้น อย่างไรก็ตามรสรินเป็นผู้มีพรมวิหาร4ดีทั้งความมีเมตตาคือปรารถนาดีไม่คิดเบียดเบียนใครทั้งความมีใจกรุณาคือคิดสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอทั้งความมีมุทิตาคือเป็นสุขตามคนที่เขาได้ดีโดยไม่มีความริษยาและสุดท้ายความมีอุเบกขาคือรับรู้ตามจริงทั้งส่วนพฤติกรรมด้านดีและด้านร้ายของผู้อื่น โดยปราศจากฝ้าหมอกแห่งความรักและความเกลียดมาบดบังคุณสมบัติเหล่านี้ปรุงแต่งจิตให้เป็นสมาธิอ่อนๆอยู่เนืองๆคู่ควรแก่การเป็นผู้วินิจฉัยทำบ้างแล้วนอกจากนี้รสสรินยังมีความรู้จักเหตุผลของกรรมวิบากและภพภูมิตามที่พระพุทธองค์ตรัสแสดงโดยสังเขปกล่าวคือได้รับการชี้นาให้มองตามจริงว่าความมีใจสุจริต ความมีวาจาสุจริตและความมีกายสุจริตย่อมนำสัตว์เข้าถึงสุขติคือมีสิทธิ์ถือกำเนิดในโลกมนุษย์และโลกสวรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งส่วนความมีใจทุจริตความมีวาจาทุจริตและความมีกายทุจริตย่อมนำสัตว์เข้าถึงทุคติคือจะยอมหรือไม่ยอมก็ต้องไปสู่โลกนรกโลกเดรัจฉานหรือโลกเปรตอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยความที่มีพร้อมทั้งพรมวิหารธรรมและความเข้าใจกรรมวิบากรสรินก็เกิดตาช่างขึ้นในจิตโดยปราศจากการเข้าข้างและปราศจากใจคิดสาบแช่งฉะนั้นขณะหลอนพูดเชิงปลอบใจอเวราว่าพฤหัสคงไปดีได้เข้าท้องคนเป็นอย่างน้อยใจสนลึกจึงนึกค้านวาจาของตนเองชอบกนอาสันนะกรรม หรือกรรมที่ทำก่อนตายมีอิทธิพลใหญ่ในการชี้ขาดการเปลี่ยนภพภูมิก็จริงทว่ากุศ ล, ลจิตจากน้ำใจสละชีพของผู้ละหดก็ไม่น่าเกิดได้เต็มดวงนักไหนจะวิ่งทเล่ทล่าเข้าไปยิงศัตรูแล้วถูกสวนหงายท้องไหนจะขาดใจทรมานแล้วไหนจะเป็นคนเริ่มก่อเรื่องชั่วร้ายทั้งปวงด้วยตนเองอีกสรุปแล้วน้าใจครั้งสุดท้ายของผู้ละหดน่าจะมีแรงฉุดน้อยไป คงดึงให้ศรีรษะพ้นอบายขึ้นมาถึงสุขติภูมิได้ยากแต่อย่างน้อยคงกั้นไม่ให้ร่วงหล่นทะลุลงไปถึงนรกสรุปคือน่าจะมีตัวเลือกอยู่ในระหว่างแห่งเดรัจฉานกับเปรตนี่เองทุกคนเกิดขึ้นเพื่อดำรงอยู่ในสภาพหนึ่งหนึ่งชั่วคราวแล้วจะต้องมีอันเป็นไปดับลงจากสภาพนั้นๆเป็นธรรมดา ผลกรรมที่ทำมาในระหว่างมีชีวิตจะพิจารณาตัดสินเองว่าสมควรเปลี่ยนไปสู่ความมีสภาพใดต่อไม่รอฟังคำวินิจฉัยคำวิงวอนหรือคำอุทธรรร้องขอใดๆจากญาติผู้อยู่เบื้องหลังทั้งสิน้นนาทีนี้รสสรินดีใจที่ตนไม่มีอภิน ญ, ญาไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับจุติและอุบัติของเพื่อหัดจึงปลอบประโลมน้องสาวได้ตามเพลง สังหอนว่าถ้ารู้จริงแล้วถูกบังคับให้พูดก็คงไม่แล้วต้องพูดแบบที่ก่อความเศร้าโศกแก่อเวลาไปอีกนานฝ่ายนัชเลที่ยังทรงอุเบกขาแบบพรหมวิหารไม่ได้เท่ามารดาก็นั่งคิดถึงความเป็นไปได้อีกทางหนึ่งพระเอิญหล่อนเคยถามหมออุปการะว่าสัตว์มีพิษที่น่ากลัวทั้งหลายถือกาเนิดขึ้นจากกรรมอันใด ก็ได้รับคำตอบว่าสาัตว์พวกนี้มีโทสะเป็นมูลการเกิดอย่างเช่นได้กำเนิดงูเหา่าก็เพราะมีใจหยาบช้าเพียงพอจะประทุสร้ายกระทั่งมิดแห่งตนจึงต้องไปครองอัตภาพอันมีลักษณะเป็นโทษมีความไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นมีความน่ากลัวมีภัยมาสู่ตัวได้เรื่อยๆและยังคงติดนิสัยประทุสร้ายมิรต่ออีกทั้งในพบนั้ น, น, นและพบต่อไปยากมาก ที่จะถอนจากพบแห่งความเป็นเช่นนั้นหรืออย่างเช่นตัวต่อก็เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นนักเกรงโตใจเป็นอันธพาลขนานแท้กล่าวคือชอบเป็นฝ่ายหาเรื่องก่อนเมื่อมาอยู่ในอัถภาพของสัตว์จึงอาจทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่นโดยไม่ต้องมีเหตุบาดหมางเรียกว่าพอเห็นใครก็พร้อมจะปรีเข้าไปต่อยทันทีด้วยความมันเคี้ยวแล้วพ่อเด็กสาวรู้สึกตัวว่ากาลังเพลิดเพลินคิดหาทุคติให้พิหัส มีกลิ่นอายของการสาบแช่งอยู่ซึ่งเฉียดกับการก่อบาปทางใจให้ตนเองก็รีบเบนวิถีเสียใหม่โดยการตั้งเจตนาจับเรื่องจริงมาพูดให้อเวรารู้สึกในทางมงคล นับว่าลงเอยดีนะคะชีวิตนี้ถือเป็นชาติที่นาเคกกับเขามาร่วมยุติภัยเวรตกลงสงบสึกการอย่างเป็นทางการขณะที่คู่หญิงชายส่วนใหญ่มาพบกันเพื่อต่อเวรสร้างภาวะคู่เวรร่วมกันไปเรื่อยๆไม่รู้จบรู้สิน้นใช่จะ้ะชาติหน้าถ้าเจอกันคงเจอกันแบบดีๆแล้วมั้งชาตินี้แค่ตอนพบหน้าเขาก็นาความเดือดร้อนมาให้ทันทีเลยรู้เรื่องที่เขาผลักประตูแท็กซี่ มาชนรถหน้าหรือเปล่าน้าเล่าให้แม่ทายฟังตั้งแต่เกิดเรื่องแน่ไม่รู้เรื่องหรอกคะ่ะเด็กสาวสันสิระน้อยๆเพิ่งผ่านเรื่องหน้าเข็ดเขี่ยวขนาดนี้แปลว่าให้อธิษฐานขอเกิดใหม่ได้พบและครองคู่กับเขาหนี่ท่าทางหน้าเค้กคงยังทำไม่ลงแง่แงสัพยอกกึ่งอย่างเสียงด้วยความอยากรู้ว่าหน้าสาวมีความผูกพันลึกซึ้งกับชายชั่ว ผู้กลับใจในนาทีเกือบสุดท้ายสักแค่ไหนตั้งใจว่าถ้าเห็นหน้าสาวหลงผิดคิดเจอตานี่ไปทุกชาติหล่อนจะเกลียกล่อมให้เปลี่ยนใจเสียเอาเวลายิ้มกร่อยๆ ก, ก, ก่อนตอบถ้าเขามีชีวิตต่ออีกสักหน่อยให้น้าได้ร่วมเหตุการณ์ประทับใจมากกว่าเรื่องบนเตียงก็อาจพิสวาสกันพอจะร่วมอธิษฐานได้มั้งแต่นี่เหตุการณ์ทุกอย่างล้วนแล้วแต่น่าสะเทือนใจแล้วชีวิตเขาก็จบเร็วเกินไปที่เหลือทิ้งไว้ เลยไม่ใช่กำลังใจระดับคิดอธิษฐานอยากเจออีกในคำพูดของอเวรามีประสบการณ์ตรงเล็กๆที่ถ่ายทอดโดยตรงถึงใจหลานสาวอยู่บ้างนัชเลได้คิดว่าเรื่องบนเตียงอย่างเดียวไม่มีทางผูกใจคนสองคนให้ยึดเหนี่ยวกันไว้ข้ามภพข้ามชาติได้เลยและนั่นทำให้หลนย้อนกลับมาคิดถึงคู่ของตนถึงวันนี้จองเลิก ไม่แม้แต่จะเริ่มทดลองจับมือถือแขนหล่อนแต่ความประทับใจร่วมกันก็แน่นแฟนขึ้นทุกทีหล่อนคิดถึงเขาแต่ในทางดีเริ่มรักผู้ชายเป็นเห็นเขาเป็นที่พึ่งและช่วยกันก่อความรักที่ประกอบด้วยสติเตือนกันและกันไม่ให้หลงฟุ้งซ่านหรือใช้เวลาไปในทางเหลวไหลเรียกว่าเริ่มมีใจกระชับลึกซึ้งถึงกันชนิดเอาเจ้าชายในนิทานมาแรกก็คงไม่ยอมแล้ว ฉะนั้นหากจะอธิษฐานขอติดตามไปเจอใครทุกพทุกชาติก็คงเป็นจองเลิกนี่เองทว่าถ้าพูดถึงการอธิษฐานขอเกิดเป็นคู่แท้ถาวรไปทุกพทุกชาติจริงจังใจหล่อนกลับอยากถอนออกมาจองเลิกเคยพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเมื่อไปทําบุญร่วมกันในระยะหลังหลังหล่อนว่าหล่อนเต็มใจทําบุญร่วมกับเขาแต่ไม่ถึงที่สุดว่าจะขอจองตําแหน่งคนรักของเขาไปจนชั่วกะละปวสาร จึงรู้สึกฝืนใจแม้กระทั่งจองเริกเสนอตัวเป็นฝ่ายเปล่งวาจาอธิษฐานแล้วหล่อนเพียงพยักหน้ายอมรับอยู่ในใจเงียบๆก็ยังประดักประเดิดอยู่ดีอาการอึกอักของหล่อนทำให้เข้าเสียใจและมึนตึงใส่หล่อนไปหลายวันแต่นัชเลก็พยายามง้อด้วยคำพูดแก้ขัดเช่นหล่อนยังเขินอยู่จะให้ฝืนอธิษฐานอะไรแบบนี้ได้อย่างไรไว้รอถ้าหล่อนอยากอธิษฐานเมื่อไรค่อยชวนเอง ถามตัวเองว่าทำไมไม่อยากเดินทางไกลร่วมกับจองเลิกก็คงมีคำตอบอยู่สองสามข้อหนึ่งคือเขาไม่แรงพอจะกระพือฝันของหล่อนให้ยินดีโบยบินสู่จินตนาการแห่งอนันตชาติหรืออาจเพราะหล่อนคุ้นเคยกับธรรมะพระพุทธองค์มาจนคิดหวังแค่สั้นๆ อยากพ้นทุกพ้นภัยจากสังสารวัตรเสเรอเร็ ว, รวแม้ท่ารู้ว่าหล่อนมีคู่บุญที่แรงกว่าจองเลิกรออยู่ก็ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดกับใครอีกแล้วนชาเลเคยปรารถนาแบบเด็กๆประการหนึ่งคือคิดว่าถ้าเจ้าอุ้ยโหยตายก็ขอให้มันกลับมาเกิดเป็นสุนัขของหล่อนอีกหล่อนจะได้เลี้ยงมันไปเรื่อยๆแต่พอย้อนมองตามจริงก็ได้แต่อนาดว่าจะให้เป็นดั่งใจอย่างไรไวจินตนาการว่าพอมันตายปุ๊บ หล่อนคงต้องควานหาลูกสุนัขเกิดใหม่ไปทั่วทั้งเมืองเพื่อใช้สัมผัสที่6แห่งความเป็นนายเก่ามาทําการระบุตัวเจ้าอุ้ยโหยกระมังการเกิดใหม่ช่างเป็นอะไรที่ไม่เหมือนเดิมไม่มีอะไรประกรันความแน่ใจและไม่มีใครจําใครได้เหมือนเล่นซ่อนหาชนิดปิดทางพบเจอทําให้นัชเลมองความสัมพันธ์ทั้งหลายเป็นเรื่องหลอกลวงถึงแม้พยายามเป็นที่พึ่งให้กันก็เป็นไปได้แค่เดี๋ยวเดียวแล้ว ต่างต้องแยกย้ายไปเสวยกรรมตามวิบากแห่งตนไม่อาจนัดหมายว่าจะไปเจอกันที่ไหนเมื่อไรในสภาพเช่นใดเลยเหลือมองน้าสาวแล้วน้ะเลก็ถอนความคิดเรื่องพบชาติไกลตัวที่นาเค้กรอดมาเหมือนมีใครวางตัวตารวจนักแม่ปืนไว้ช่วยเลยนะคะทายว่านี่เป็นสุดยอดของความเหลือเชื่อจริงๆน้าเองก็งงๆเหมือนกันแหละตัวของตารวจก็คงงงไม่แพ้กัน รเซรินเสริมและนั่นก็ทำให้สามนางหัวเราะพร้อมกันในบรรยากาศอัศจรรย์ใจทายว่าต้องเป็นวิบากดีของน้าเค้กแน่ๆถ้าน้าเค้กไม่ให้อภัยคนทำร้ายนายคนนั้นก็อาจไม่เปลี่ยนใจยังคงกักน้าเค้กรอส่งตัวอยู่ที่บ้านผลคือจะไม่มีใครไปถึงจุดนัดพบของวิบากที่มีตำรวจนั่งแป้นรอช่วยเหลืออยู่ทุกอย่างประจบเหมาะกันพอดีแบบไม่มีอะไรขาดไม่มีอะไรเกิน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 เงินเดือนก็มาจากภาษีของเค้กการช่วยให้เค้กรอดถือเป็นเรื่องปกติถ้าไม่ช่วยสิถึงจะนับว่าละเลยหน้าที่อืมได้สัมผัสตำรวจแสนดีในคราวนี้เองก็ดีนะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเสสณะโดยการยอมให้มือตัวเองเปื้อนเลือดเอาเวลาย่นหัวคิ้วเล็กน้อยเพราะสงสัยและอยากไถ่าถามพี่สาวอยู่พอดีสิ่งที่เขาทานี่บาปด้วยหรือคะก็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 ปลิชีวิตคนชั่วร้ายโดยไม่ให้มีโอกาสหลบหลีกก็ทําให้เป็นผู้ได้รับการรอบทำร้ายแบบหมดทางป้องกันตัวได้เหมือนกันใบหน้าอาเวราสลดลงธรรมดาผู้ได้รับการช่วยเหลือย่อมอยากเข้าข้างผู้มีพระคุณแต่หลอนก็คิดฝึกที่จะรับฟังกฎแห่งกรรมวิบากตามจริงอย่างมีอุเบกขาเท่าที่เค้กฟังฟังพวกตารวจคุยกันที่โต๊ะสอบสวนคาพูดค่อนข้างสะท้อนชัดนะคะ ว่าใจพวกเขาเห็นคนชั่วสมควรตายเห็นว่าต้องมีผู้ทําหน้าที่แล้วจะใครที่ยอมถ้าไม่ใช่พวกเขาซึ่งคิดเห็นและเต็มใจยอมเป็นฝ่ายลงมือกําจัดชีวิตคนเร็วๆทิ้งจากโลกนั่นแหละแต่ละอาชีพมีความสนุกของตัวเองซึ่งคนวงการอื่นไม่รู้ไม่เห็นความสนุกนั่นแหละจะดึงดูดคนกลุ่มหนึ่งเข้าไปหาและวนเวียนอยู่กับวงจรชนิดนั้นๆ พอคิดฆ่าแล้วลงมือฆ่าแล้วจิตก็จะยึดจับพบแห่งเพชฌฆาตไว้เชื่อว่าการฆ่าพวกชั่วจะได้บุญทำให้มีวิบากต้องวนเวียนอยู่ในวงจรปาณาติบาตสเสวยผลจากปาณาติบาตเช่นมีอายุสั้นและร่างกายอ่อนแอด้วยโรครุมแต่ก็ต่างจากพรานล่าเนื้อตรงที่มีกุศ ล, ลจิตมาแบ่งเบาบ้าง ฟังพี่สาวพูดแล้วเอาเวลามีสีหน้าเป็นห่วงเป็นใ ย, ยไม่หายคนเราทำกรรมได้หลายวิธีนักบุญบริสุทธ์ก็มีบาปล้วนก็มีบุญปื้นบาปก็มีบาปเจือบุญก็มีเขาคงไม่ทำตรงนี้ไปตลอดวันหนึ่งคงมีคนมาแทนรสรินยิ้มเนิดๆอย่างเข้าใจความรู้สึกของน้องพลแม่นปืนไม่น่าจะหาได้ง่ายนักหรอกเพราะต้องการคุณสมบัติหลายอย่างพร้อมสรรพในตัวคนเดียว เค้กอย่าห่วงเขาเลยถ้าเขาไม่ได้ทำหน้าที่ด้วยความโกรธหรือความชิงชังเป็นส่วนตัวใจก็จะไม่ยินดีกับการฆ่าอย่างเหนียวแน่นเดี๋ยวอนิจจังก็ถามหาเองอย่างไรเขาก็ต้องคลายจากภพของเพชฌฆาตด้วยปัจจัยแทรกแซงอื่นๆที่เป็นบุญไปเองกลัวแทนจังคะ่ะถ้าเขาต้องทำอยู่ตรงนี้นานๆโลกเรามีเรื่องอยุติธรรม แล้วมีคนกลุ่มหนึ่งเห็นความอายุติธรรมมีความตั้งใจทําลายล้างความอายุติธรรมซึ่งบางทีวิธีทําลายล้างก็อาศัยความอายุติธรรมนั่นเองการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตเต็มไปด้วยหลุมพรางของโลภะโทสะโมหะง่ายที่จะพลาดแต่ยากที่จะรอดพระท่านถึงบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นไม่ควรโทษใครแต่ต้องเห็นเป็นโทษของการอยู่ในสังสารวัต เอาเวลาสลดซึมลงถ้าเอาอย่างใจย่อมอยากตัดสินให้สิบตำรวจโทรเรืองยศไม่มีส่วนแห่งบาปเลยจากการช่วยเหลือหล่อนแต่ก็รู้ว่าการพิพากษาที่แท้จริงไม่อาจมาจากใครอื่นนอกจากกฎแห่งกรรมวิบากซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมเสมอมาและจะเสมอไปถ้าเค้กเอานักสือธรรมะไปฝากเขา เขาจะหาว่าเค้กเห็นเขามีมนทินต้องเอาของสะอาดไปช่วยชะล้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเจตนาดีอยู่ที่เราความเข้าใจถูกผิดอยู่ที่เขาแล้วรสริรินก็เปลี่ยนเรื่องด้วยการเปรยแกมบนปีนี้รู้สึกใกล้ชิดกับความตายเสจริงอาสพัสบอกว่าเมื่อวานเธอไปงานศพนายต่อยมาแล้วใช่ไหมค่ะ บ่ายวันเกิดเหตุตำรวจโทรเรียกญาติของเพื่อหัดมารับศพไปจัดการตามประเพณีซึ่งญาติผู้มาด้วยน้ำตานองหน้าก็รับตัวไปแบบยังไม่เข้าใจอะไรมากนะักเพียงทำใจยอมรับความจริงติดต่อวัดจองสาลาเพื่อบำเพ็ญกุศลกันตอนเย็นนั่นเองเข้าหน้ากับพ่อแม่นายต่อยได้สนิทหรือเปล่าเขาคงไม่พานพาโลกล่าวหาอะไรเธอนะก่อนหน้านี้เค้กยังไม่เคยเจอหรอกค่ะไม่เคยรู้จักหน้ากันเลย เค้กโผลไปนั่งร้องไห้ก็ไม่มีใครแปลกใจคงรู้ว่าเป็นหนึ่งในบรรดาสาวๆของต่อยแล้วคงเดา ว, ว่าเค้ก mm hmm. ทราบเรื่องจากญาติของต่อยคนใดคนหนึ่งไม่มีใครเข้ามาซักอะไรเลยนัชเลยิ้มแยแยถามเรียบเคียงว่า mm hmm. น่าเค้กเจอเพื่อนคนไหนของต่อยบ้างหรือเปล่าคะเ mm hmm. มื่อวานรู้กันแต่ญาติพี่น้องแต่วันนี้คงมีเพื่อนที่โรงเรียนไปกันบ้างแล้วเดี๋ยวหน้าเค้กกาลังจะไปอีกไหม ความจริงคือนชเลเกรงอเวราจะไปเจอจองเลิกซึ่งคุยกันไปคุยกันมาเดี๋ยวอาจโยงมาถึงละอองฝนแล้วอเวราก็อาจต้องเจ็บย้อนหลังเมื่อรู้ว่าผู้หญิงคนล่าสุดของเพื่อทหารก็คือหลานสาวของตัวเองฝ่ายอเวราเข้าใจว่าหลานสาวเกรงหลอนจะเป็นที่จดจําได้ว่าคือบุคคลในข่าวซึ่งเพิ่งลงหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าจึงตอบตามซื่อนะก็กลัวคนจะคุ้นเหมือนกันแหละแต่คิดไปคิดมาก็ไม่น่านะ เห็นตัวเองในรูปแล้วมีแถบคาดตาอย่างนั้นเวลาเจอตัวจริงคงไม่มีใครนึกว่าใช่อย่างทายจำหน้าได้ก็เพราะคุ้นกันอยู่ก่อนและปฏิติประต่อเอาจากที่หน้าหายตัวไปแต่คนอื่นใครจะไปรู้หน้าเลฝืนยิ้มไม่ค่อยสนิทนักคิดว่าเดี๋ยวต้องโทรแอ บ, บบอกกล่าวจองเลิกล่วงหน้าและตนเองคงตามไปคุมเชิงอีกแรงแม้ดูเหมือนเรื่องเล็กแต่หล่อนก็ห่วงใยความรู้สึกของหน้าสาวนักหนา ให้ทรายปเป็นเนพื่อนไหมคะเอเวลาทำหน้าแปลกใจแต่ก็ยิ้มยินดีเอาสิดีเลยแล้วก็หันไปขอพี่สาวยืมตัวทรายหน่อยนะคะพี่น้องเสร็จจากงานแล้วจะไปส่งที่บ้านผู้เป็นแม่แค่ถามว่าจะไปทั้งชุดนี้เหรอไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่เพื่อนของนายนายอะไรของหน้าเค้กอีกหลายคนก็คงไปชุดนักเรียนเหมือนกันเอเวลายกมือ บีบต้นแขนหลานโอเคนะงั้นเดี๋ยวหน้าขออาบน้ำแต่งตัวแป๊บเดียว